2. การคิดเปรียบเทียบยังไม่เป็นวิปัสนาวงเล็บเปิด 21. มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที7วงเล็บปิดถ้ายังเห็นด้วยการคิดเปรียบเทียบมันเป็นปัญญาเบื้องต้นชนิดหนึ่งเรียกว่าในเครื่องหมายคำพูดสัมมสนยานยังไม่ขึ้นในเครื่องหมายคำพูดอุทยภัยายานสมมติยานนี่เห็นไตรลักษณ์ด้วยการเทียบเอา เมื่อก่อนมีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีตอนนี้มีแต่เดี๋ยวอีกวันหนึ่งหายไปอีกแล้วไม่มีไม่ได้เห็นในปัจจุบันถ้าเห็นลงปัจจุบันจะเป็นตัววิปัสนาแท้แต่อาศัยสมรสนญาณเป็นจุดตั้งต้นต่อไปมันจะเร็วขึ้นสติปัญญาเร็วขึ้นนะจะเห็นเกิดดับจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นไม่ต้องดูว่าดับก็ได้ดูได้แง่มุมของอนัตตก็ยังได้เลย เช่นความโกรธเกิดขึ้นมันเกิดของมันเองใช่ไหมมันผุดขึ้นมาเองเราไม่ได้สั่งให้เกิดไม่ใช่เราหรอกนี่ดูอย่างนี้ก็เรียกว่าดูปัจจุบันแล้วไม่ใช่ว่าต้องดูให้ดับอย่างเดียวหรอกหรือดูว่าเป็นอนิจจังอนิจจังก็คือเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีขึ้นมาแล้วแล้วไม่อยู่ประเดียวเดียวหายไปอีกแล้วดูแบบกระชั้นกระชั้นอย่างนี้นะจะเห็นอนิจจัง